พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนนั้นถือตนให้เป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่ไม่มีวันพัดพรากจากเราไป สิ่งต่างๆในโลกนี้รวมไปถึงร่างกายของเรานี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดต้องมีวันพัดภาคจากกันไปถ้ายึดสิ่งต่างๆหรือร่างกายนี้เป็นที่พึ่งเวลาที่เกิดการพัดภาคจากกันเราก็จะปราศจากที่พึ่ง เมื่อเราไม่มีที่พึ่งเราก็จะเดือดร้อนเราจะทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะว่าตอนนี้จะไม่มีวันที่จะพัดภาคจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอด แต่ก่อนที่เราจะเพึ่งตนเองได้เราต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพึ่งไปก่อนเหมือนกับเด็กทารกที่คลอดออกมาจากคันของมารดายังไม่สามารถที่จะเพึ่งตนเองได้จำเป็นที่จะต้องเพึ่งพ่อเพึ่งแม่เลี้ยงดูไปก่อน จนกว่าจะเจริญเติบโตจนกว่าจะมีความสามารถพึ่งตนเองได้ถึงถึงจะได้ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ต่อไปฉันใดพวกเราที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไปก่อนเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ ท่านรู้จักวิธีที่จะทำให้เราได้เป็นที่พึ่งของเราเองได้ต่อไปถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระาอราิยสงสากทั้งหลายเราก็จะได้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งคือสร้างอัตตาหิอัตโนนาโทโธให้กับเรา ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนคอยบอกเราเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะสร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ดังนั้นในขณะที่เรายังไม่สามารถพึ่งตนเองได้เราจึงต้องพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพึ่งพระอริยสงสาวก ให้เป็นผู้ที่จะสอนเราให้สร้างตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้การที่จะทำให้ตนเองนั้นเป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ฟังคำสอนแล้วอ่านต่อไปก็ให้นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้ว เราก็จะได้มีที่พึ่งเราจะได้มีตัวเองตอนเองเป็นที่พึ่งของตอนต่อไปนี่คือหลักของที่พึ่งสองสองแบบคือพรรทานาไตรที่เราเรียกว่าพุทธังธ ร, รมังสังฆังสารนังกัชามิและอาตาหิอัตโนนาโท ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติถ้าได้ยินได้ฟังก็จะเกิดความสับสนขึ้นมาอาจจะเห็นว่าเป็นการขัดกันคำสอนคำหนึ่งสอนให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คาสอนอีกคำหนึ่งสอนให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนแต่ถ้าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีการ ขัดแย้งกันแต่อย่างใดเหมือนกับเด็กที่จะต้องพึ่งผู้ใหญ่พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนให้รู้จักวิธีพึ่งตนเองไปก่อนพอได้รู้จักวิธีแล้ได้ปฏิบัติจนสามารถทําให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูบาอาจารย์ ต่อไปอันใดผู้ที่ปฏิบัติจนสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปแต่การไม่ได้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการเคารพไม่มีการยกย่องเทิดทูนบูชาเพราะพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นพระคุณที่ล้นโลกเป็นพระคุณที่ไม่มีพระคุณอันใดในโลกนี้จะม า, ามาเปรียบเทียบได้หรือมาลบล้างพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้ถึงแม้ว่าตนเองจะได้เป็นที่พึ่งของตอนแล้วตนก็จะไม่ลืมพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุเป็นที่พึ่งของตอนแล้ว ท่านก็ยังกราบไ่ว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับลูกๆที่หลังจากที่ได้เจริญเติบโตเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วก็ไม่เคยลืมพระคุณของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้มีการเคารพยกย่องสรรเสริญบูชากันอย่างสม่ำเสมอจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แม่พ่อแม่หรือคูบาจารย์ได้ตายจากไปแล้วความรักความเขารบก็ยังไม่จางหายไปจากจิตจากใจก็ยังลําลึกถึงเสมอและถ้ายัางพอที่จะทำประโยชน์ทดแทนบุญคุณเช่ทนทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านที่ล่วงลับไปแล้วก็จะทากันอย่างสม่าเสมอ น, นี่คือ ลักษณะของคนที่มีที่พึ่งของตนจะไม่ลืมตัวเองจะไม่ลืมพระคุณของผู้ที่มีพระคุณที่ทำให้ตนเองนั้นได้เป็นที่พึ่งของตนดังนั้นผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะมีที่พึ่งที่ถาวรจะต้อง ศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งที่ถาวรนี้ขั้นแรกท่านก็สอนให้เรารู้ว่าที่พึ่งที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นร่างกายของเราหรือสิ่งต่างๆที่เราอาศัยเป็นที่พึ่งเช่นปัจจัยสี่ที่พึ่งของร่างกายและสิ่งของต่างๆเช่นทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราใช้เป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเรานั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะเนื่องจากเขาเป็นอนิจจังนั่นเองอนิจจังก็แปลว่าไม่ถาวรไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าใช้สิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งก็จะต้องพบกับความเสีย อ, อกเสียใจพบกับความทุกข์ใจเสมอดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่ต้องการที่พึ่งที่แท้จริงจำเป็นที่จะต้องสละที่พึ่งที่ไม่ใช่ ที่พิ่งที่ถาวนไปแล้วหันมาสร้างที่เพิ่งที่ถาวรที่เพึ่งที่ถาวรก็คือใจของเรานี่เองใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็ต้องมีตายไปตามลําดับไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตามจะเป็นร่างกายของ ผู้ที่มีอานาจวาสนาที่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาผู้อื่นและตนเองได้ก็ไม่สามารถที่จะทําได้อย่างถาวรเพราะไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องตายไปเช่นเดียวกันสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งชั่วคราว เพราะว่ามีโอกาสที่จะต้องเสื่อมมีโอกาสที่จะต้องสูญมีโอกาสที่จะต้องพังไปหมดไปแต่ใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายจากเราไปแต่ตอนนี้ใจของพวกเรายังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราเพราะเรายังไม่ได้มาสร้างที่พึ่งกัน ตอนนี้ใจของเราถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับที่ดินผืนหนึ่งที่เรายัางไม่ได้มาสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเราต้องมาสร้างบ้านมาสร้างที่อยู่อาศัยที่ใจของพวกเราที่อยู่อาศัยของของพวกเราที่ตั้งอยู่ที่ใจนี้เราเรียกว่าความสงบถ้าเราสร้างความสงบขึ้นมาที่ใจแล้ว ใจของเรานี้จะมีที่พึ่งมีเหมือนกับมีบ้านมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆใจของเรานี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่มีบ้านใจของเราจึงยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเรากลับเป็นที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรามาอย่างต่อเนื่องเพราะเรายังไม่ได้ ทำใจนี้ให้สงบได้นั่นเองเพราะเราไม่รู้จักวิธีทําใจให้สงบถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันที่จะรู้ได้เลยว่าใจของเรานี้เป็นที่พึ่งของเราและเราต้องทําใจนี้ให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วใจจะเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะจะ ใจจะจะูกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้เราทุกข์ไม่ให้เราเดือดร้อนวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆและสิ่งต่างๆที่เราต้องสัมผัสต้องรับรู้ต้องเผชิญนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงคือความสงบของใจ และใจนี้จะสงบได้ก็ต้องเกิดจากการสร้างธรรมขึ้นมาสร้างธรรมที่เป็นเหมือนกับวัสดุก่อสร้างที่จะเอามาสร้างความสงบให้กับใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรานั้นสร้างกันเพื่อสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจนี้ ก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานการให้การแบ่งปันขั้นที่สองเรียกว่าศีลการไม่กระทําบาปและขั้นที่สคือการภาวนาการทําใจให้สงบและการสอนใจให้ฉลาดเพื่อจะได้รู้จักวิธีรักษาความสงบของใจให้สงบไปอย่างถาวร ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดไปนี่คือทำสามขั้นด้วยกันที่สงสอนให้ผู้ที่ปราถนาที่จะมีความมีที่พึ่งทางใจให้สร้างทมทั้งสามขั้นนี้ขึ้นมาทำทั้งสามขั้นนี้ก็เป็นเหมือนกับขั้นบันได คือจะมีความยากง่ายต่างกันไปและจะสนับสนุนกันไปเหมือนกับขั้นบันไดบันไดขั้นที่หนึ่งก็จะสนับสนุนการก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่สองและบันไดขั้นที่สองก็จะสนับสนุนการขึ้นก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่สถ้าไม่ก้าวตามขั้นก็จะไม่มีกําลังที่จะก้าวข้ามก้าวขึ้นไป ได้ผู้บำเพ็ญจึงจําเป็นที่จะต้องอบําเพ็ญตามขั้นตามตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือก็ต้องเรียนไปตามขั้นตามตอนเริ่มต้นที่ขั้นอนุบาลแล้วขึ้นสู่ขั้นประถมจากขั้นประถมก็สู่ขั้นมัธยมจากขั้นมัธยมก็สู่ขั้นอุดมศึกษา จะข้ามขั้นไม่ได้เพราะถ้าข้ามขั้นก็จะเรียนไม่ไหวก็จะเรียนไม่ผ่านอยู่ดีก็ต้องกลับมาเรียนขั้นที่ตอนเองเรียนได้ก่อนทำก็เช่นเดียวกันนี้ผู้ปฏิบัติต้องเริ่มจากขั้นง่ายขึ้นไปสู่ที่ขั้นยากขึ้นไปตามลำดับขั้นที่ง่ายที่สุดก็คือขั้นทาทานทานก็แปลว่าการให้การแบ่งปัน ประโยชน์สุขที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่เราให้ไปแล้วเราไม่เดือดร้อนเช่ น, นเรามีเงินทองที่มากกว่าที่เราจะใช้ได้คำว่าใช้ได้ก็หมายถึงใช้กับสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เราต้องมีไว้เพื่อดำรงชีวิตของเราถ้าเรามีพอแล้ว มีมากกว่าที่เราต้องการเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้ทําประโยชน์ไม่ได้ให้ความสุขกับเรามากขึ้นแต่อย่างใดเงินทองส่วนนี้เราก็ควรที่จะนำเอามาทําทานกันเพื่อที่เราจะได้ลดการอาศาัยเงินทองในการเป็นที่พึ่งของเราเพราะโดย ปกติแล้วเวลาที่เรามีเงินทองหรือใช้เรามักจะใช้เงินทองนี้เพื่อซื้อความสุขต่างๆให้กับเราถ้าเราใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็เป็นเหมือนกับเรายัางต้องพึ่งเงินทองเป็นที่พึ่งของเราถ้าเวลาที่เราขาดเงินทองขึ้นมา ไม่มีเงินทองเป็นที่พึ่งเราก็จะทุกข์จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินทองเป็นที่พึ่งเวลาไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือเป้าหมายของการทำทานที่แท้จริงเพื่อลดการพึ่งเงินทองให้เป็นที่พึ่งของตนนั่นเองให้พึ่งเฉพาะ สิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ไม่ได้ให้มาพึ่งไม่ได้มาให้เป็นที่พึ่งของเราเงินทองนี้เป็นที่พึ่งของร่างกายได้เช่นร่างกายยังต้องมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีอาหารซึ่งถ้ามีเงินทองก็สามารถที่จะซื้อปัจจัยสี่เหล่านี้มาจุนเจือ มาดูแลร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขได้ถ้าใช้เงินทองแบบนี้นั้นจะไม่มีโทษแต่ถ้าใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆเช่นซื้อของที่ไม่จําเป็นแต่เราอยากได้เห็นแล้วชอบใจซื้อมาแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขถ้าใช้เงินทองแบบนี้ เวลาที่ไม่มีเงินทองที่จะซื้อความสุขแบบนี้ก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาภายในใจแต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เรามีเหลือนี้แทนที่จะไปซื้อความสุขต่างๆเราเอาไปให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นเขามีความสุขให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนทางปัจจัยสี่เช่นอาหาร ยารักษาโรคเครื่องนุ่งหมที่อยู่อาศัยถ้าเราช่วยเขาเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆให้กับเรานี้ไปซื้อความสุขให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขแล้วเราก็จะได้รับความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่ได้จากการให้ความสุขแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการซื้อความสุขต่างๆให้กับตัวเราเองแล้วก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะเดือดร้อนในายามที่เราไม่มีเงินที่จะไปทําบุญทําทาน แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีเงินที่จะไปซื้อความสุขต่างๆไปซื้อของต่างๆที่เราอยากได้เพราะเวลาที่เราเอาเงินที่เราจะซื้อของที่เราอยากได้นั้นมาทำบุญเราก็จะลดความอยากของการซื้อความสุขต่างๆให้กับเราด้วยเงินทองนี้ น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะไม่มีความอยากที่จะซื้อความสุขต่างๆด้วยเงินทองเลยแล้วเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเวลาที่เราไม่มีเงินทองเพราะว่าเรานี้ไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆให้กับเรา และการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะทำให้เรามีความเมตตาขึ้นมามีความคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่นไม่มีความคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่อยากจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะทำให้เรานี้มีศีลขึ้นมาโดย โดยปริยายโดยผลที่เกิดจากการที่เราทำทานด้วยความปรารถนาดีด้วยความเมตตาต่อผู้อื่นความเมตตานี้ก็จะทำให้เรานี้ไม่อยากที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่ชอบไม่อยากที่จะฆ่าสัตว์ไม่อยากที่จะลักทรัพย์ ไม่อยากที่จะพติผิดประเวณีไม่อยากที่จะพูดปดโกโหกหลอกลวงไม่อยากจะเสพสุรายามาเพราะการกระทาเหล่านี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเมื่อเรามีแต่ความเมตตาเมื่อเรามีแต่การให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะไม่อยากที่จะ ทำบาปเราก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นปฏิบัติขั้นที่สองได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเรายังไม่ชอบทําบุญเรายังชอบเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปซื้อความสุขต่างๆให้กับเราเช่นไปเที่ยวหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแต่อยากซื้อเพราะเห็นแล้วชอบอยากได้เราก็จะไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเราก็จะคิดแต่การหาความสุขให้กับตัวเราเราก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี้มักจะไม่สนใจต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่น คนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานนี้มักจะไม่มีความเมตตากรุณามักจะเป็นคนที่สามารถทำบาปได้อย่างง่ายดายเพราะเวลาที่ต้องการอะไรให้กับตนเองนั้นถ้าไม่สามารถที่จะทำหรือหามาได้โดยวิธีที่ไม่ทำบาป ก, ก็จะทำบาปเพราะความอยากได้ สิ่งต่างๆตามความอยากนั้นมีอำนาจที่รุนแรงที่จะสามารถทำให้ผู้กระทำนี้ไปกระทำบาปได้อย่างง่ายได้นี่คือความแตกต่างระหว่างของผู้ที่ทำทานกับผู้ที่ไม่ทำทานผลที่จะเกิดตามมาก็คือจะมีความเมตตาหรือไม่มีความเมตตา จะรักษาสีนได้หรือไม่รักษาสินได้อยู่ที่การทำทานนี้ถ้าทำทานด้วยความาความด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาคือเห็นว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้ถ้าเอาไปใช้ตามความอยากก็เป็นโทษกับเราแต่ถ้าเอาไป ช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ที่เราไปช่วยเหลือได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเพราะจะทําให้เราลดความอยากที่จะซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่จําเป็นมาให้ความสุขกับเราที่เป็นความสุขชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่ทําให้เรานั้นเกิดความอยากที่จะ ซื้อความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะกําจัดความอยากที่จะซื้อความสุขต่างๆให้กับเราลงไปจนต่อไปเราจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขเลยเราสามารถที่จะแบ่งเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้ไปทาทานไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างมากมายทาให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่มีความเมตตากรุณาเป็นใจที่มีศีลมีธรรมขึ้นมาพอเราทำทานได้เราก็จะสามารถขึ้นสู่ขั้นที่สองได้อย่างง่ายดายคือเราจะรักษาศีลห้าข้อนี้ได้แล้วพอเรารักษาศีลห้าข้อได้เราก็จะเห็น คุณค่าของการรักษาศีลว่าทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นมากกว่าการทำบุญทำทานแล้วก็จะทำให้เรานี้อยากจะมีความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเพิ่มการรักษาศีลจาก5้าข้อขึ้นไปเป็น8ดข้อคือเพิ่ม ข้อที่หกข้อที่7และข้อที่8และเปลี่ยนข้อที่สจากกามเมมาเป็นอ布拉มะจาริยาเพราะการรักษาศีล8นี้จะทำให้เรามีความสงบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะศีลนี้จะเป็นเหมือนกับรั้วหรือกำแพงกั้นไม่ให้ใจของเรานั้นออกไปทำสิ่งต่างๆ ที่จะสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรานั่นเองผู้ที่ทำบาปกับผู้ที่ไม่มีไม่ได้ทำบาปนี้ความรู้สึกทางใจจะต่างกันผู้ที่ทำบาปนี้ใจจะไม่สบายใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายวิตกกังวลวุ่นวายใจและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องรับผลของกรรมที่ตนเองได้ทำไว ก็ยิ่งมีความทุกข์ขึ้นมาใหญ่แต่ถ้าไม่ทำบาปแล้วความกังวลกัวายกระสับกังสายความวิตกกังวลต่างๆนั้นก็จะไม่มีและโทษที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่เกิดนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลจะทำให้ใจมีความสงบเพิ่มมากขึ้นใจสงบมากขึ้นเท่าไหร่ ใจก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นและการที่จะทำให้ใจนั้นได้สงบอย่างเต็มที่ก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลที่จะคอยป้องกันไม่ให้ใจไปทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ไม่มีเวลามาทำความสงบให้กับใจ ผู้ที่ต้องการที่จะก้าวขึ้นสู่ทำขั้นที่สามคือการภาวนาเพื่อทำใจให้สงบเพื่อจะได้สัมผัสกับความสงบอย่างเต็มร้อยนั้นจำเป็นที่จะต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนเพราะว่าศีลแปดนี้จะกาจัดกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ใจวุ่นวาย และทำให้ใจไม่มีเวลามาทำใจให้สงบได้เช่นกิจกรรมข้อที่สมของศีลข้อที่สก็คือการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนอันนี้ก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาเจริญสติมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้ถ้าไม่มีกิจกรรมข้อที่สามคือการร่วมหลับนอน กับคู้ครองขอ ง, งตนก็จะมีเวลาที่จะได้มาจเจริญสติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบได้อันนี้เป็นเป็นประโยชน์ของการรักษาสิ่งแปดข้อที่หนึ่งคือจะทำให้มีกิจกรรมมีเวลาที่จะมาภาวนาได้นั่นเองสิ่งข้อที่6ก็เช่นเดียวกัน การที่เราไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะทําให้เรามีเวลามาภาวนากันได้เพราะหลังจากเที่ยงวันเราก็จะไม่มากังวลกับเรื่องการหาอาหารมารับประทานกันเนี่ถ้าเราถือศีลเพียงศีลห้าเราก็ยังรอเวลาที่จะรับประทานในรอบบ่ายและในรอบเย็นหรือในรอบค่ําต่อไป เพราะสินห้านี้ไม่ได้ห้ามเรื่องของการรับประทานอาหารจะรับประทานกี่ครั้งจะรับประทานมากน้อยเพียงไรก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าถือศินแปดแล้วนี้จะไม่สามารถทำได้จะต้องยุติการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้มีเวลามาให้กับการบาเพ็ญจิตตะภาวนา สัมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาและจะช่วยกําจัดความง่วงเหงาหงาอแนงอนให้มีน้อยลงไปได้เพราะการรับประทานอาหารมากจะทําให้เกิดความง่วงนอนได้ง่ายกว่าการรับประทานอาหารน้อยผู้ที่จะต้องการหาที่พึ่งที่แท้จริงหาความสุขที่แท้จริง จำเป็นจะต้องสละที่พึ่งที่ไม่ใช่ที่แท้จริงก็คือความสุขทางร่างกายไปความสุขที่ได้รับจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานวันละสามสี่ครั้งด้วยกันรับวันรับประทานจริงๆวันละครั้งเดียวก็พอแม้แต่บางครั้งบางคราวเวลาปฏิบัติถ้ารับประทาน วันละหนึ่งครั้งยังมีปัญหาของความง่วงเหงาหานอนอยู่มีความเกลียดค้านอยู่ไม่อยากจะปฏิบัติไม่อยากจะภาวนาผู้ปฏิบัติบางครั้งก็ต้องอดอาหารไปเป็นวันๆเลยเพราะการอดอาหารเป็นวันๆ น, นี้จะทำให้ความง่วงเหงาหานอนนี้หายไปความเกลียดค้านนี้ก็จะหายไปจะทำให้ขยันต่อการภาวนาเพราะเวลาอดอาหารนี้ ใจจะมีความทุกข์ที่เกิดจากความหิวความอยากรับประทานอาหารถ้าไม่ภาวนาทำใจให้สงบนี้จะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากเพราะใจจมัวแต่คิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีความเกียดติคานเพราะมีความจำเป็นจะต้องภาวนาเพราะถ้าไม่ภาวนาใจจะทุกข์ ก็พยายามที่จะภาวนาพยายามเดินจยมกลมพยายามนั่งสมาธิควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องอาหารได้พอใจเข้าสู่ความสงบได้ความทุกข์ทรมานใจจากความคิดถึงเรื่องอาหารต่างๆก็จะหายไปใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขทั้งๆที่ไม่ได้รับประทานอาหารแต่ใจได้รับอาหารทางใจก็คือความสงบ อาหารทางใจคือความสงบนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าอาหารของทางร่างกายจะทำให้ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้รับประทานอาหารนี้ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความหิวของทางร่างกายเลยเพราะความหิวของทางร่างกายนี้มีน้ำหนักน้อยกว่าความอิ่มที่เกิดจากการทําใจให้สงบไดเ้เราจะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้ สามารถที่จะทำใจให้สงบได้อย่างง่ายดายตามลำดับต่อไปต้องใช้วิธีนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการภาวนาคือการไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปถ้ายังมีความง่วงอยู่ก็อาจจะวมเป็นจะต้องยอมอดไปเป็นพักๆอดข้ั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างแล้วก็กลับมารับประทาน สักวันสองวันแล้วก็กลับไปอดใหม่เพื่อที่จะได้มีกําลังในการภาวนาจะไม่เกลียดค้านเวลาที่อดอาหารจะไม่ง่วงเงาวหานอนจะทําให้การภาวนานั้นคืบหน้าไปจนในที่สุดก็สามารถภาวนาได้อย่างปกติพอชํานาญแล้วก็สามารถที่จะกลับมารับประทานอาหารตามปกติได้ โดยที่จะไม่มีความว่เหวงเหาหาวนอนด้วยความเกียดค้านมาเป็นอุปสรรคต่อไปนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลข้อที่หจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องขวนขวายในการทำใจให้สงบเพราะจะเป็นวิธีที่จะเยียวยาความหิวซึ่งความหิวส่วนใหญ่นี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ความหิวของร่างกายนี้มีน้ำหนักน้อยมากเมื่อเทียบกับความหิวของใจความหิวของใจก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งความอยากจะรับประทานอาหารต่างๆนั่นเองแต่ถ้าสามารถใช้สติมาควบคุมมาหยุดความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องอาหารได้ใจสงบได้นี้ความหิวของใจนี้จะหายไปหมดเลย แล้วที่สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความสงบและความสุขที่ได้จากความสงบความอิ่มความพอที่ได้จากความสงบจะทำให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการอดอาหารเลยนี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลข้อที่หถ้ารักษาศีลห้านี้จะไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการง่วงเหงาหานอนได้จะไม่มี ความสามารถที่จะผักดันให้ปฏิบัติทําได้อย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ผู้ที่ถือศีลห้านี่จะปฏิบัติได้อย่างมากก็วันละครั้งสองครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือเท่านั้นเองเป็นอย่างมากแต่ผู้ที่ถือศีลแปดนี่จะสามารถปฏิบัติได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไปจนถึงเวลาที่จะหลับนอน และหลังจากที่ได้พักผ่อนหลับนอนก็จะนอนไม่มากนอนเพียงครั้งละสี่ห้าชั่วโมงก็พอเช่จนถ้านอนช่วงสี่ทุ่มพอตีสามก็จะลุกขึ้นมาเตื่นขึ้นมาแล้วก็จะสามารถที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำใจให้สงบได้ไปจนถึงเวลาสว่างเลยถึงเวลาที่จะต้องไปทรภารกิจการงานต่างๆ หรือถ้าเป็นผู้ปฏิบัติอย่างมืออาชีพก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้แม้ในขณะที่ไปทำภารกิจต่างๆก็ยังปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นอยู่ที่การเจริญสตินี่เองไม่ว่าถ้าทำภารกิจอะไรถ้ามีสติอยู่กับการทำภารกิจนั้นไม่ส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่นก็เรียกว่ายังเป็นการภาวนาอยู่ยังเป็นการปฏิบัติอยู่ เนื้อหาสาระของการปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ที่การกระทาของร่างกายแต่อยู่การที่จิตมีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสตินี้ถือว่ากำลังปฏิบัติอยู่ไม่ว่ากำลังจะทำอะไรก็ตามถ้าคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์กระแสของความคิดต่างๆ ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่ใจก็ถือว่ากำลังภาวนาอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ผู้ที่ปฏิบัตินี้สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้ามีการเจริญสติมีการสร้างสติมีการรักษาสติอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่ากำลังภาวนา เพราะการภาวนานี้ขั้นที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างสติขึ้นมานั่นเองพอถ้าไม่มีสติแล้วทําขั้นต่างๆที่จะต้องตามมาต่อไปจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้จําเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้ที่จะดึงทำต่างๆให้โผล่ขึ้นมาได้นั่นเองสมาธิก็จะไม่เกิดถ้าไม่มีสติ ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็จะไม่เป็นปัญญาปัญญาก็จะเป็นความคิดปรุงแต่งและไม่สามารถที่จะนํเอาไปกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ไม่สามารถที่จะรักษาความสงบที่เกิดจากสมาธิให้อยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสิ่งเหล่านี้ทาเหล่านี้จาเป็น จะต้องมีสติเป็นผู้รเริ่มทำให้ปรากฏขึ้นมาดังนั้นการภาวนาการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนี้จึงอยู่ที่การเจริญสติถ้ามีสติแล้วถือว่ากำลังปฏิบัติถ้าไม่มีสติต่อให้เดินจงกรมต่อให้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติไม่ถือว่าเป็นการภาวนาเพราะทำ ไปแล้วจะไม่เกิดผลคือความสงบจะไม่เกิดขึ้นมาแทนสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาแทนความสงบก็คือความพุ่งสร้าง น, นั่นเองความวุ่นวายใจความไม่สงบของใจที่เดิมทีก็มีอยู่แล้วพอมาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าคิดไปทางความอยากก็จริงจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่ตนเองกำลังคิดว่ากำลังปฏิบัติธรรมกำลังเดินจงกรมกาลังนั่งสมาธิแต่เป็นเพียงอิริยาบถเท่านั้นเองเป็นเพียงกิริยาของร่างกายแต่ไม่ได้เป็นการกระทำของใจเพราะใจไม่ได้รับการควบคุมใจ ไม่มีสติที่จะคอยควบคุมกระแสของความคิดต่างๆที่มักจะไหลไปทางความอยากทางความโลภทางความโกรธและทางความหลงที่ทำให้ใจนั้นวุ่นวายทำให้ใจนั้นฟุง้งซ่านไม่สงบดังนั้นการเจริญสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญเ ป, เป็นหัวใจของการภาวนาถ้าไม่มีสตินี้ไม่ถือว่า มีการภาวนาเพราะสมาธิคือสมถะภาวนาจะไม่ปรากฏวิปั ส, สนาภาวนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสติมีแต่ร่างกายที่แสดงท่าทางของผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิแต่ใจนี้ไม่สงบใจนี้กระสับกระส่ายวุ่นวายคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้าง คิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนี่คือลักษณะของการไม่มีสติถึงแม้ว่าร่างกายจะอยู่ในท่าของผู้ปฏิบัติธรรมก็าาตามแต่การปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่มีมีแต่ฟอร์มมีแต่ร่างมีแต่ท่าเท่านั้นเองมีแต่การตั้งท่าเหมือนนั่งมวยมีแต่การ ลำวยกันไปลำวยกันมาแต่ไม่ได้เข้าไปชกกันสักทีหนึ่งอันใดถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับไม่มีธรรมที่จะเข้าไปต่อสู้กับกิเลส ต, ตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจนั่นเองถ้ามีสติสตินี่แหละจะเป็นตัวที่จะดันใจให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ความสงบถ้าไม่มีสติ ก็จะถูกกิเลสตันหาดันใจให้ออกมาหาเรื่องต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายพาให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาไม่เคยได้ผลเลยก็เลยบางทีก็อาจจะมาโทษว่าการปฏิบัตินี้หมดสมัยหมดยุคแล้ว ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วผู้ปฏิบัตินี้ไม่สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้แล้วนี่กลับไปโทษธรรมต่างๆที่ที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีสติแต่ไม่ไปโทษตนเองว่าตนเองไม่มีสติภาวนาแบบใจลอยลอยไปลอยมามัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แทนที่จะอยู่กับอารมณ์ที่ให้กำหนดไว้ให้อยู่ให้ตั้งอยู่เพียงอารมณ์เดียวกับไม่อยู่ใจก็เลยไม่ดิ่งไม่เข้าสู่ความสงบได้ไม่ได้พบกับความอัศจรรย์ของความสงบของความสุขที่เกิดจากความสงบก็เลยเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดความเสื่อมศรัทธาในการที่จะปฏิบัติโดยการคิดไปในทางที่ ไม่ถูกเช่นคิดว่าเราไม่มีวาสนาบ้างาหรือมรรคผลนิพพานนี้หมดยุคหมดสมัยแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปเพราะไม่ได้วิเคราะห์ถึงเหตุที่ทำให้ตนเองไม่ได้ผลว่าเกิดจากอะไรกันแน่ เพราะว่าทำคําสอนของพระเจ้าก็ทรงตัดไว้แล้วว่าเป็นอากาลิโกะมรรคผลนิพพานนี้เป็นอากาลิโกไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลามรรคผลนิพพานนี้พร้อมที่จะปรากฏขึ้นมาเสมอถ้ามีเหตุที่ทําให้เกิดนั้นปรากฏขึ้นมาเหตุก็คือการบําเพ็ญด้วยสตินี้เองถ้าไม่มีการบําเพ็ญด้วยสติแล้ว มรรคผลนิพพานก็จะไม่ปรากฏขึ้นมามรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาเหมือนกับสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ย่อมต้องเสื่อมไปกับการกับเวลาอบ้านช่องที่เราสร้างไว้ทิ้งไว้สักร้อยปีสองร้อยปีมันก็ต้องเสื่อมต้องพังไปตามการตามเวลาแต่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบนี้ และนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปตามการตามเวลาตราบใดที่มีเหตุที่จะทำให้มรรคผลนิพพานนี้ปรากฏขึ้นมามรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเหตุที่จะทำให้เกิดก็คือการบาเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองผู้ปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่จะมาติดอยู่ตรงการเจริญสตินี้กัน เรื่องการทำทานก็พอทำกันได้เรื่องการรักษาศีลก็พอจะรักษากันได้แต่พอมาถึงขั้นตอนของการเจริญสตินี้รู้สึกว่าจะล้มเหลวกันไปเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถก้าวเข้าสู่สมาธิก้าวขั้นสู่ปัญญาและเข้าสู่ขั้นวิมุติหลุดพ้นได้ก็เพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะสร้างสติให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง ถ้าสามารถแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจดวันเจเดือน7ปีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ท่งพยากรณ์ไว้ในท้ายของการแสดงวิธีเจริญสติในสติปัฏฐานสนะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รับประกันเลยว่าถ้าผู้ใดสามารถเจริญสติได้ตามแนวที่ส่งสอนไว้ในสติปัฏฐานสี่ จะสามารถาได้มากผลนิพพานได้หลุดพ้นได้อย่างแน่นอนภายในเจ็ดวันหรือเจดเดือนหรือเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าเป็นผู้ที่มีสติที่แก่กล้าผู้ที่มีความสามารถที่จะเจริญสติได้อย่างรวดเร็วนี้ภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุได้ถ้าช้าหน่อย สติการสร้างสติช้าหน่อยก็เจ็ดเดือนหรือไม่ฉะนนั้นก็เจ็ดปีถ้ายังมีการาเพียรพยายามที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วจิตจะต้องมีสติขึ้นมามีสติที่จะดันใจผลักดันใจให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าใจเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แล้วใจจะมีพลังจะมีความสุข ที่จะทำให้สามารถที่จะตัดตันหาความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้สามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เพราะจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรา เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้ไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดได้มันจะต้องเปลี่ยนไปตามเวลาของมันและมันจะต้องเสื่อมต้องดับไปตามเวลาของมันอันนี้จะผู้ที่มีสติจะมีสมาธิและจะมีปัญญาเห็นสัจธรรมความจริงของสภาวธรรมทั้งปวง แล้วก็จะสามารถทำให้ละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้และทำให้ไม่อยากจะได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พอละได้ละความอยากได้ละอุปท า, านได้ก็จะตัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจไปได้หมดเลยนี่คือขั้นของการปฏิบัติเนี่ย สนใหญ่จะมาติดกันตรงที่สตินี้สตินี้เป็นเหมือนกับคอขวดเวลาทำบุญทาทานนี้ทำกันได้บางคนสะละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองออกบวชได้รักษาศีลได้รักษาศีลแปรักษาศีลสองยีได้แต่พอมาถึงเวลาที่จะต้องเจริญสตินี้รู้สึกว่าจะทำกันไม่ค่อยได้ผู้ที่ทำได้ก็จะ ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นสมาธิและขั้นปัญญาจนถึงขั้นหลุดพ้นได้กันตามลําดับเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาเคารพนับถือซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับจํานวนของผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็ถือว่ามีน้อยที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะว่าท่านมีความภาคเพียรมากท่านมีความอดทนมาก ท่านพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาพยายามหาสถานที่ที่เอื้อต่อการบาเพ็ญท่านจะไม่ชอบพุกคีอยู่กับผู้คนมากมากเพราะจะทำให้การเจริญสตินั้นเป็นไปได้ได้ยากท่านจะไม่ชอบอยู่ในสถานที่มีเสียงอึกทึกเคึกโคมมีกิจกรรมอะไรต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกาย ท่านจะชอบไปปีกวิเวกชอบไปอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบที่จ ะ, ะบำเพ็ญความเพียรถ้ามีความง่วงเหงาหงานอนท่านก็นจะชอบในการอดอาหารหรือถ้าการอดอาหารไม่ถูกกับจริตท่านก็นจะชอบไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวเช่นไปอยู่ในป่าช้าเพราะเวลาไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวแล้วนี่ ความง่วงเหงาเหานอนนี่มันจะหายไปความเกลียดข้านจะหายไปความกระตือรือร้ น, นความออความไม่ประมาทนี้จะมาทันทีผู้ที่ต้องการสติคือความไม่ประมาทนอนใจความตื่นตัวนี้จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวต่างๆเช่นอยู่ในป่าในเขาที่มีสิงสารสัต มีเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายจะทําให้มีสติพอเวลาจะก้าวเท้าทุกก้าวนี้จะคอยดูคอยเฝ้าดูทุกเวลาจะไม่เดินแบบคนใจลอยเดินไปเตะหินเดินไปสะดุดกับกิ่งไม้ก้านไม้ก็จะไม่มีหรือเดินไปเหยียบสิงสาราสัตว์ก็จะไม่มี เพราะว่ารู้ว่ามีภัยอยู่รอบด้านการมีภัยอยู่รอบด้านนี้จะบังคับให้มีสติขึ้นมาใจจะต้องคอยจดจ่ออยู่กับปัจจุบันถ้ากําลังเดินก็จะคอยดูที่เท้าว่ากําลังเดินไปเหยียบอะไรหรือไม่นี่แหละคือสถานที่และเหตุการณ์ที่จะช่วยปลุกสติขึ้นมาสร้างสติขึ้นมา ถ้าอยู่ในสถานที่ปลอดภัยในสถานที่สบายนี้ใจจะไม่มีความรู้สึกกระตือรือ้นไม่มีความหวาดกลัวต่อภัยต่างๆจะจะทำให้ไม่ระมัดระวังจะทำให้ใจลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิไปเท่าไหร่ก็ไม่รวมไม่สงบแต่พอได้ไปอยู่ในที่หวาดเสียวน่ากลัวนี้ใจนี่มีความระมัดระวังความระมัดระวังนี้คือสติใจจะไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจะจ่ออยู่กับปัจจุบันอยู่กับการกระทำของร่างกายกับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบถ จะมีความคอยอคอยสังเกตสังการอยู่เรื่อยว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นี่คือการหาสวงหาสถานที่ที่จะเอื้อต่อการเจริญสติเนีู่บาจารย์ต่างๆท่านจึงมักจะต้องไปอยู่ในป่าในเขากันแม้แต่พระพุทธเจ้าของพวกเราก็ทรงตัดสรู้ในป่าไม่ได้ตัดสรู้ในพระราชวังเพราะ เวลาอยู่ในพระราชวังมันก็จะไม่มีความรู้สึกหวาดระแวงหวาดกลัวต่อภัยต่างๆก็จะทำใจให้สบายปล่อยให้ใจไหลไปกับกระแสความคิดปรุงแต่งต่างๆไปกับอารมณ์ต่างๆใจก็เลยไม่ตั้งมั่นใจจึงไม่สงบแต่พอไปอยู่ในป่านี้ อยู่กับภัยรอบด้านไม่รู้ว่าจะมีงูเลื้อยมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมีมะแมลงสัตว์บินมากัดมาต่อยเมื่อไหร่ใจนี้จะต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาความระมัดระวังนี้แหละเรียกว่าสติทาให้ใจนั้นจดจอ่ออยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมใจให้สงบเช่นผู้ที่กลัวผีนี้ ท่านก็บอกว่าให้ไปอยู่ในป่าชา้าแล้วเกิดเวลาเกิดความกลัวผีขึ้นมาก็ให้ท่องบริกรรมพุทโธไปเวลาที่ใจเราไม่มีอะไรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวนอกจากพุทโธพอไปคิดว่าจะไปเจอผีเจอสิ่งที่น่ากลัวนี้ใจจะเกาะติดอยู่กับพุทโธอย่างแนบสนิทเลยบริกรรมไปไม่กี่นาทีใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้เนี่ยเพราะว่า ถ้าปล่อยให้ใจไปคิดถึงผีแล้วมันจะยิ่งทุกข์ทรมานใจขึ้นยิ่งกลัวมากขึ้นจนอาจจะเสียสติได้แต่ถ้าคอยควบคุมใจให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่นานไม่กี่นาทีใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้คนเหล่านี้เวลาจะเป็นจะตายเท่านั้นถึงจะเข้าหาที่พึ่งที่แท้จริงกันถ้ายัางไม่ตายจะไม่หไม่วิ่งเข้าหาที่พึ่งกัน เหมือนเวลาไฟยังไม่ไ่บ้านนี้ยังไม่ไปที่ผาหน้ามาดับไฟชั้นใดถ้าไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยก็จะไม่มเีเหตุการณ์มาบังคับให้เจริญสติกันแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีภัยรอบด้านมีสิ่งที่น่าหวาดกลัวรอบด้านจะทำให้ใจนี้มีสติขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีสติก็จะทนอยู่กับสถานที่นั้นไม่ได้ ใจจะหวาดกลัวไปตลอดเวลาความหวาดกลัวนี้ถ้าหวาดกลัวมากๆจะทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานที่นั่นได้แต่ถ้าถ้ามีสติมีพุทโธเป็นเครื่องกากับใจใจจะไม่ใจจะหายจากความหวาดกลัวพอใจสงบแล้วนี้ความหวาดกลัวทั้งหลายจะหายไปหมด เราจะรู้เลยว่าความหวาดกลัวทั้งหลายนี้ไม่ได้อยู่ภาอยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่ใจของตนเองที่ไม่สงบที่คิดไปร้อยแปดคิดไปถึงสิ่งต่างๆที่ไม่มีอยู่ข้างนอกแต่คิดไปเองกลัวไปเองพอทำใจให้สงบได้ด้วยการบริกรรมพุทโธอย่างถี่ยิบไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวได้ใจพอมีสติ อย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่พอใจรวมเข้าสู่ความสงบแล้วความหวาดกลัวต่างๆนั้นหายไปหมดหลังจากนั้นก็จะอยู่ในที่นั้นได้อย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเลยพอรู้แล้วว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จใจที่ไม่มีสติที่ปล่อยให้ไปคิดถึงภัยต่างๆปล่อยให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆมาหลอกตนเองเท่านั้นเอง อหยุดความคิดต่างๆได้ภัยต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็หายไปหมดใจสงบแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความว่างความเย็นความสบายความความสุขที่เกิดจากความสงบความเป็นอุเบกขาใจจะสักแต่ว่ารู้จะเฉยๆความรักความชังความกลัวความหลงต่างๆนี้จะสงบตัวไปชั่วคราว แต่ยังไม่ตายจะตายได้นั้นจะต้องใช้ปัญญาเป็นผู้ที่มาทําลายอีกขั้นหนึ่งก็ต้องรอให้ตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วพอเริ่มไปคิดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นภัยต่อร่างกายเช่นสิงสาราสัตว์ถ้าอยากจะทําลายความกลัวอย่างท้าวรก็คือต้องใช้ปัญญาถอดถอนความหลง ที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าได้ส่งคนพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงต่อให้เราดูแลมันดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายจากเราไปอย่างแน่นอนจะอยู่ที่ไหนปลอดภัยขนาดไหนมันก็ตายได้จะอยู่ในป่าในเขา อยู่กับสิงสารสัตว์มันก็ตายได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายถ้าพิจารณาด้วยปัญญาได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่มีวันที่จะป้องกันไม่ให้มันไม่ตายได้ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างทาวรสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นของสับเปลือไปถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้ได้เห็นว่าถ้าอยากให้มันไม่ตายนี้มัน ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาก็จะต้องยอมรับว่ามันต้องตายและหยุดความอยากไม่ตายคือยอมตายพอยอมตายได้แล้วความกลัวตายนั้นมันก็จะหายไปหายไปอย่างถาวรไม่ได้หายไปแบบสมาธิถ้าหายไปแบบสมาธิมันจะหายเฉพาะเวลาที่ใจรวมเข้าสู่สมาธิแต่พอออกจากสมาธิมา พอไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้กลัวความกลัวก็จะปรากฏขึ้นมาอีกแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าความกลัวนี้ก็เกิดจากความหลงไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่รู้ว่าความกลัวความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายเท่านั้นเองถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากกลัวถ้าอยากให้ความกลัวหายไป อยากให้ความทุกข์หายไปก็ต้องหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายถ้าหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายตายได้คือปล่อยยอมมันอยากมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปพอปล่อยได้แล้วใจจะสงบใจจะหายกลัวเราจะหายกลัวอย่างถาวรจะตายเมื่อไหร่วันไหนเวลาใดานี้จะไม่มีความกลัวตายเหลืออีกต่อไปมันพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลา พราะผู้ที่กลัวนี้ไม่ได้ตายและผู้ที่ตายนี้ไม่กลัวร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไรมันไม่รู้ว่ามันจะตายหรือมันจะไม่ตายมันไม่เคยกลัวความตายแต่ผู้ที่กลัวก็คือใจผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่กลับไปกลัวตายแทนร่างกายเพราะความหลงไปคิดว่าใจนั้นเป็นร่างกายนี้นั่นเองพอใช้ปัญญากับสมาธิมาแยกแยะออก แยกแยะใจให้ออกจากกายจนเห็นชัดว่าใจนี้ไม่มีวันตายใจที่กลัวความตายนี้ไม่มีวันตายส่วนร่างกายที่ไม่ที่ไม่รู้จักความตายนั้นเป็นผู้ตายแต่ความตายนั้นร่างกายเขาไม่เดือดร้อนอะไรเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนเฟืนดีๆนี่เองไปตัดต้อนไม้ท่อนเฟืนไปเผาท่อนไม้ท่อนเฟืนมันก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร ร่างกายเวลาเอาเข้าเตาเผาไปเผามันมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรผู้ที่เดือดร้อนคือใจใจที่ใจที่มีความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจนั่นเองพอใช้สมาธิและใช้ปัญญาแยกแยะใจออกจากร่างกายได้เห็นอย่างชัดเจนว่าใจนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่เป็นร่างกายใจก็ปล่อยร่างกายให้ตายไปได้อย่างสบาย พอปล่อยแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายต่อไปนี่คือเรื่องของขั้นของปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่ทำใจให้สงบได้แล้วด้วยสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วแต่ความสงบของสมาธินี้จะเป็นของชั่วคราวจะดับความกลัวดับความทุกข์ต่างๆได้เพียงชั่วคราว พอออกจากสมาธิมาพอใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้กลัวเรื่องที่ทําให้ทุกข์ความกลัวความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าเหตุของความกลัวของความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่ร่างกายของเรานี้จะทําอย่างไรก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อถึงเวลามันก็จะต้องตายไปตามตามเรื่องของมัน ถ้าไม่อยากให้มันตายก็จะทุกข์จะกลัวไปเรื่อยๆถ้ายอมให้มันตายมันก็จะหายทุกข์หายกลัวอันนี้พอใช้ปัญญาแล้วต่อไปจะไม่มีความกลัวตายอีกต่อไปไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เจอความตายก็ใจจะเฉยเพราะว่าเห็นราาน่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ได้เห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตนเอกต่อไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น เวลาเห็นคนอื่นตายนี้ใจของเราไม่เห็นเดือดร้อนใดอย่างใดฉันใดเวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไม่เดือดร้อนอย่างนั้นนี่คืออำนาจของปัญญาปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นว่าไม่ได้เป็นร่างกายและร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้ไม่ได้เป็นใจไม่ได้เป็นของใจเป็นของดินน้ำลมไฟ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปของร่างกายของทุกคนเป็นอย่างนี้แต่ใจของทุกคนนี้ไม่เหมือนกันถ้าจาเป็นใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านก็จะไม่ทุกข์ไม่กลัวกับความตายของร่างกายแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอย่างพวกเรานี้ก็จะกลัวตายกันทุกคน และเวลาจะตายก็ทุกทรมานกันทุกคนถ้าไม่อยากทุกข์ไม่อยากทรมานถ้าอยากจะตายอย่างสงบตายอย่างสบายก็ต้องพยายามสร้างที่พึ่งสร้างธรรมะขึ้นมาเป็นที่พึ่งให้กับใจให้ได้ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลศีลห้าศีล8ศีลส้ิส 5, ส 8, ส 7, ขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ปรีกวิเวขาสถานที่สงบไม่คลุกคลีกับใคร พยายามรับประทานอาหารให้น้อยๆแล้วพยายามเจริญสติสมาธิให้มากๆแล้วต่อไปก็จะได้ความสงบได้ความสงบแล้วก็จะสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบนั้นให้อยู่ไปอย่างถาวรพอมีความสงบอย่างถาวรแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดี หรือเกิดขึ้นกับสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่เรารักเราชอบอยู่เวลามันเกิดการพัดพาจากเราไปนี้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเพราะใจเราไม่ได้ไปยึดไปติดไม่ได้ไปอาศัยมันเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าอยู่ก็คือความสงบที่เกิดจากการทําทานรักษาศีลการภาวนานี้เองนี่คือการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับใจของพวกเรา เพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องหวาดกลัวกับการสูญเสียกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปเพราะว่าเราจะได้เราจะไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อไปนั่นเองพอเราไม่พึ่งเขาแล้วเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่เดือดร้อนดังนั้นหนะ้าที่ของพวกเราก็คือพยายามฟังเทศฟังธรรมฟังคาสอนฟังวิธีสร้าง ที่พึ่งทางใจนี้กันอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันเมื่อฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกันทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขก็เอาไปทำบุญทำทานกันแล้วทุกครั้งที่จะทำบาปก็ใช้ศีลมาห้ามมันทุกครั้งที่จะไปหาความสุขทางตาหูจะบกลินกายก็ใช้ศีลแปดมาหยุดมันเพื่อเราจะได้มีเวลามาปรีกวิเวก ไปหาที่สงบสงัดไปอยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้สร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญาที่จะเป็นตัวสร้างที่พึ่งทางใจคือความสงบต่อไปอ๋อเรามีความสงบแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือทำที่พระเจ้าสงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปปเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยทาเมณิโชติอระโสยทาสัพพติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานศีลิสานิจจังวุฒาปะจายิโน จตารธหมมมวาทานติอายุวโนสุขังพาลังขั้นต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากทราบอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็ขออนุญาต ไม่ไม่ตอบปัญหาต่อไปถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามผ่านมาทางบ้านคำถามจากทางบ้านจากคูณชูยิ่งข้อแรกสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่การเดินจงกรมปล่อยมือข้างลำตัวเหมือนเดินปกติไม่ได้ประสานมือทั้งสองข้างไว้ด้านหน้า หรือเป็นการไม่สำรวมหรือไม่ครับก็เวลาเดินท่านก็สอนว่าถ้าที่สำรวมก็คือการเอามือไว้ที่หน้าหน้าเอวหน้าท้องขวาทับซ้ายเป็นอิริยาบถกิริยาที่สวยงามของผู้ปฏิบัติข้อ 2. ในสายพระปฏิบัติ ผู้บวชหม่ควรท่องจําพระปาติโมกทั้งหมดให้ได้ภายในกี่พรรษาครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะขวนขวายบางท่านก็ภายในสามเดือนก็สามารถท่องได้บางท่านก็ใช้เวลาอมากหน่อยบางท่านก็ไม่ได้ท่องเลยอันนี้ไม่ได้เป็น ข้อบังคับที่จะต้องท่องกันได้ทุกรูปอันนี้แล้วแต่องค์ว่าท่านให้ความสําคัญให้ความสนใจกับสิ่งไหนมากกว่ากันถ้าอยู่ในขั้นภาวนานิ้ทานาจจะไม่ไม่ต้องไม่สนใจกับการท่องเลยก็ได้ท่านสนใจอยู่กับการเจริญสติการควบคุมใจให้สงบด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิ แต่บางท่านก็อาศัยการท่องนี้เป็นการเจริญสติไปก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนในเรื่องของการท่องพระปฏิโมกข์พระปฏิโมกข์นี้ก็คือศีนสองร้จข้อที่จะต้องมีการท่องกันทุกกึ่งเดือนเพื่อเป็นการทบทวนเพื่อเป็นการเตือนใจให้พระรู้ว่าตนเองนั้นมีศีนกี่ข้อแล้วแต่ละข้อนั้นมีอะไรบ้าง เวลาประชุมกันนี้จะมีพระรูปหนึ่งท่านจะนั่งท่ามกลางสงนั่งอยู่บนอาจสงนั่งอยู่บน อ, อาการเทศที่นั้งเทศและท่านก็จะเป็นผู้ที่ท่องพระปฏิโมกข์2องข้อโดยจะมีพระอีกรูปหนึ่งเปิดดูหนังสือคอยคอยดูว่าท่องถูกหรือท่องผิดถ้าผิดก็จะบอกให้แก้ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาพระวินัยไม่ให้วิบัติให้คงเหมือนเดิมอยู่อุบายวิธีนี้จะทำให้พระนั้นจะได้ตื่นตัวจะได้รู้จะได้คอยรักษาศีลของตนให้สะอาดบริสุทธิ์คำถามจากคุณทัศนีหนูไปปฏิปฏบัติธรรมที่วัดมีคือหนึ่งในขณะที่นั่งสมาธิได้กลิ่นหอมช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นรู้สึกว่าภาพค่อยๆมืดและมากขึ้นเรื่อยๆจนดำสนิทและบรรยากาศก็เงียบสงัดทำให้กลัวมากแต่ก็ไม่กล้าลืมตาเลยท่องพุทโธตลอดจนรู้สึกเหนื่อยแล้วความกลัวก็หายไปขอพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวในขณะปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็เพิ่งเพิ่งเทศไปให้ฟังเมื่อกี้นี้ ก็ลองฟังดูก็แล้วกันเวลานั่งสมาธินี้ข้อสำคัญก็คืออย่าให้ใจปราศจากสติคือใจจะต้องมีอะไรควบคุมกากับใจอยู่ตลอดเวลาเช่นคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธ<ม>หรือการสวดมนต์ถ้ามีการสวดมีคำบริกรรมใจก็จะไม่สามารถที่จะไปสร้างความกลัวต่างๆขึ้นมาได้ ถ้าเกิดความกลัวก็แสดงว่าตอนนั้นเผลอสติแล้วสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาพอได้สติก็ต้องรีบกลับก็ามาหาพุทโธพุทโธ ท, ทันทีหรือมาสวดมนต์ทันทีแล้วพอใจสวดหรือบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องความกลัวต่างๆก็จะหายไปใจก็จะสงบ คำถามจากคุณบางออนเวลาเราปฏิบัตินั่งสมาธิทาไมมันเกรงแล้วมันก็ยื้อกันคือเหมือนกับดึงกันไว้หัวก็หนงหนงหนักๆค่ะคือการนั่งสมาธินี้เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในให้ดึงออกจากรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นสิ่งที่ใจชอบพอใจถูกดึงมาก็เหมือนกับเกิดอาการเกรงเกิดการต่อสู้กันขึ้นมา ถ้าดึงไปหารูปเสียงกินร้นี้จะไม่มีอาการเก่งเลยถ้าไปนั่งดูทีวีไปนั่งดูละครไปทําอะไรต่างๆนี้อาการเก่งจะไม่มีเพราะว่ามันไปทางเดียวกันไปทางที่ใจชอบแต่พอดึงใจไปในทางที่ใจไม่ชอบดึงไปให้ห่างจากรูปเสียงกินรถมันก็จะเกิดอาการเครียดอาการเก่งขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาปฏิบัติทุกคนจะต้องเจออย่าไปให้ความสาคัญกับมัน มันจะเกรงมันจะเครียดก็ไม่ต้องไปสนใจดึงมันเข้าไปให้ได้ถ้าดึงเข้าไปจนะทั่งมันขาดออกจากกันแล้วความเกรงมันก็จะหายไปความเครียดมันก็จะหายไปในช่วงที่มันยังไม่ขาดออกจากกันนั้นมันจะเกรงเหมือนกับเวลาที่เราถอนหญ้านี่ถ้าหญ้ามันติดอยู่ในดินนี่เวลาจะถอนนี่มันจะต้องใช้กำลังไม่รู้สึกว่ามันเกรง แต่พอถอนหญ้าหลุดออกจากดินไปแล้วอาการเกรงมันก็จะหายไปคำถามจากคุณลุงมณีรัตน์ได้มีพระสงฆ์เดินถือซองขาวเดินเลี่ยายปัจจัยตามบ้านและได้กล่าวว่าท่า น, นเป็นพระกำลังหางบสร้างกุฏิอย่างนี้ผิดธรรมวินัยของพระหรือเปล่าคะปกติแล้วพระไม่ควรที่จะไปขอจากผู้ที่เขาไม่ได้ให้ คําปาวานาไว้ก่อนคือไม่ได้แสดงตนว่าพร้อมที่จะอบอยจากหรือว่าไปขอจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาตินี้พระพระุทธเจ้าสรงห้ามพระห้ามไม่ให้พระข อ, ขอจากผู้ที่ไม่ได้ปาวานาตนหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติคําถามจากคุณบุญมีที่เรียกว่าธรรมจัดสรรคืออะไรหมายถึงอะไรครับ คือเคยได้ยินว่าธรรมะจัดสรรให้มาปฏิบัติธรรมหรือเจอพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธรรมะจัดสรรคือเราต้องทําเหตุใช่ไหมครับถึงได้เจอก็เหมือนกับบ้านจัดสรรเน่ยเราไม่ต้องสร้างเองมีคนสร้างให้เราธรรมะจัดสรรก็คือธรรมะจัดให้เราทําให้เราได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันในตอนนี้ทําให้เราได้ทําสิ่งที่ ที่ดีที่งานทั้งหลายโดยที่เราเองบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำเ่เหตุการณ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆมันพามาเองเราก็เลยใช้คำว่าธรรมะจัดสรรไปคำถามจากคุณอันนทขอโอกาสพระอาจารย์เทศโปรดผู้ที่กำลังแบ่งฝักแบ่งฝายการแต่งตั้งองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไปด้วยครับขอคำชี้แนะในการวางตัววางใจ ต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับก็ง่ายๆเรื่องไม่ใช่ของเราอย่าไปเสือกการจะเป็นก็เรื่องของเขาอย่าไปสนใจคำถามจากผู้ฝากถามเมื่อวันปีใหม่โยมได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดทางภาคอีสานไปกันหลายคนตอนขากราบรีบเก็บข้าวของขึ้นรถต่างคนต่างเก็บพอมาถึงกรุงเทพ ปรากฏว่าได้หยิบของทางวัดติดมาด้วยหลายชิ้นด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นของเพื่อ น, อนรู้สึกไม่สบายใจคล้ายเป็นการผิดศีลข้อลักขโมยและโยมก็ยังไม่มีโอกาสจะได้กลับไปที่วัดนั้นอีกโ ย, โยมควรทําอย่างไรดีคะถ้าโยมจะเอาของที่หยิบผิดมานั้นมาถวายพระอาจารย์จะได้ไหมคะเพื่อความสบายใจคะ่ะก็ส่งคืนไปให้กับวัดที่เราเอามาสิ ของเข้ามาเราก็ส่งคืนไปอย่างเมื่อเช้านี้มีเด็กคนหนึ่งทําแก้วแตกเขาบอกไม่สบายใจเลยต้องเอาเงินใส่ซองถวายวัดหน่อยแล้วเขาก็ได้รู้สึกว่าเขาสบายใจเมื่อเราทําอะไรที่เสียหายแล้วเราก็ควรจะเชดเชยความเสียหายนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าเป็นของที่เราส่งกลับไปได้ก็คนที่จะส่งกลับไปถ้ายังส่งกลับไปไม่ได้ก็ ควจะตั้งใจว่าจะต้องกลับไปเอาของนี่ไปคืนเขาให้ได้อย่างนี้จะทําให้เราเป็นคนมีสัจจะเป็นคนที่มีศีลเป็นคนมีความรับผิดชอบหมนแล้วน ะ, ะปัญหามีใครอยากจะถามอะไรไหมนักสึกษาหลวงพ่อครับแล้วที่บอกว่าธรรมจะสนี้ธรรมะคือใครครับธรรมก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่ ถ้าเป็นคำว่าทำนี้เรามักจะหมายถึงเหการณ์ที่เป็นกุศลต่างๆสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญต่างๆที่อาจจะเป็นบุญกุศลที่เราเคยได้สร้างไว้แล้วในอดีตพอถึงเวลาบุญเหล่านี้กุศลเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้เราได้กระทําในสิ่งที่ดีที่งานที่เป็นบุญที่เป็นกุศลต่อขับแล้วเวลาเราทําดีหรือทําชั่วเนี่ยความดีหรือความชั่วเนี่ยเป็นบันทึกบันทึกไว้ที่ไหนครับ มันก็มันเป็นอยู่ในใจของเรามันจะเป็นเหมือนกับตัวที่จะผลักดันให้เราไปในทางดีหรือทางชั่วต่อไปถ้าเราทําดีมันก็จะผลักดันให้เราไปในทางที่ดีถ้าเราทําชั่วมันก็จะผลักดันให้เราไปในทางชั่วครับแล้วขออีกข้อนครับมีเอ่อผมเคยอ่านแบบว่าเมื่อสิบล้านเอ่อล้านชาติที่แล้วคุณเกิดเป็นมนุษย์อะไรครับแต่เมื่อแบบดูทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ย ร้านชาติที่แล้วเนี่ยมีไดโนเสาร์เนี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้ไงครับเพราะว่าเราคิดว่าในจักรวาลนี้มีโลกนี้เพียงโลกเดียวที่มีมนุษย์อยู่ได้มีสัตว์อยู่ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ครับอาจจะมีโลกที่มีมนุษย์มีสัตว์อยู่ได้ที่มีการพัฒน า, าต่างกันบางโลกอาจจะพัฒนาไกลกว่าเราบางโลกอาจจะอยู่ล่างล่หลังเรานั้นมันก็มีอยู่ แล้ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนี้ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับถ้าไม่มีใครอยากจะถามแล้วก็คิดว่าน่าจะพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ